มาถึงวันนี้นะคนซึ่งภาวนารู้หลักของการภาวนารู้แยกได้สมถาวิปัสสนาเลยรู้วิธีทําสมถะรู้วิธีทำรรํำวิปัสสนามีคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้เยอะขึ้นเมื่อก่อนเราคิดถึงการภาวนาเราก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวให้จิตสงบอย่างเดียวนิ่งๆ หวังว่าจิตสงบแล้วจะเกิดปัญญามันไม่มีทางเกิดปัญญาได้เลยเพระการปฏิบัตินันมีสองส่วนส่วนของสมถากรรมฐานทำไปเพื่อความสุขความสงบความดีส่วนของวิปัศนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในธาตุในขันธ์วิธีการโคลานเป้าหมายโคลาน นั่งสมาธิเรื่อยๆไม่ได้ทําให้เห็นความจริงของาธาตุของขันได้แต่ถ้าใจไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านก็ไปรู้ธาตุรู้ขันไม่ได้จริงนะสมาธิก็เป็นแค่ทางผ่านเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งคู่กับสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิต ในการที่จะดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจิตต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนดูจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมันจะถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวมันจะมีสภาวะคล้ายๆเราอยู่บนบกนะมองลงไปในน้ำเห็นเรือผ่านไปผ่านมาหรือเห็นของรอยน้ำมา ผ่านไปเรื่อยๆเราไม่โดดลงในน้ำเราอยู่บนบกเห็นปรากฏการไหลผ่านหน้าไปเฉยๆเนี่ยจิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิจะโดดลงไปในน้ำเลยเห็นเรือผ่านมานะก็โดดลงไปเกาะเรือตามเรือไปสมัยก่อนมีนะมีแพรมีไม้สูงอะไรเงี้ยล่องในแม่น้ำ พวกเด็กสนๆนี่จะโดดลงไปเกาะให้เหลือลากไปมันก็ฉลาดนะมันคอยเลือกตอนที่เหลือวิ่งทวนน้ำเมือมันปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาที่เดิม <c oughs> ถ้าจิตเรากระโดดลงไปคลุกอยู่กับอารมณ์นะเหมือนเด็กกระโดดลงไปเกาะแพในแม่น้ำเนี่ยอันนั้นมันมิจฉาสมาธิแต่จิต ท, ที่มีสมารถสมาธิมันเหมือนคนยืนอยู่บนบก เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลผ่านหน้าไปสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่นะการพัฒนาจิตเนี่ยที่จะให้เดินปัญญาได้อันแรกเลยต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วค่อยฝึกต่อไปจนจิตเป็นกลางเรืนตัวสาคัญตั้งมั่นกับเป็นกลาง เทียบกับพจนชงเจ็ก็มีสติพจน์ชงเริ่มจากมีสติสติไปทำอะไรสติไปรู้ความจริงของกายของใจถึงนี้เรียกว่าธรรมรรยยาในการรู้ความจริงของกายของใจนั้นต้องมีวิริยะมีปีติมีปัจ ส, สัตที่มีสมาธิ<ม>อันนี้เป็นกลุ่มของสมาธิทั้งหมดเลยจิต ท, ที่ส่งสมาธิอยู่มีความเพียรมีปีติ มีปัสัทธิมีสมาธิคือความตั้งมั่นลงท้ายของโพชฌงกก็คือมีอุเบกขาอย่างสุดท้ายจะต้องลงมาที่อุเบกขาเครื่องมือสำคัญนะให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตรงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอันนี้แหละคือธรรมวิจยะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ขี้เกียจขี้คลานมีวิริยะ มีปีติมีความสงบระ ง, งับมีความตั้งมั่นในจิตที่มันทรงตัวมีสมาธิอยู่ภาสติะระลึกรู้รูปรู้นามคือเห็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจทีแรกเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจและจิตยังไม่เป็นกลางไม่ชอบ อยากให้ความโกรธหายไปนี่เรื่องไม่เป็นกลางเห็นความโลบความหลงเกิดขึ้นไม่ชอบเห็นกุศลเกิดขึ้นชอบเห็นความทุกข์เกิดขึ้นไม่ชอบเห็นความสุขเกิดขึ้นชอบจะเห็นสภาวะไหมเห็นแต่ไม่เป็นกลางเงนเบื้องต้นที่เรารู้เราเห็นนะจิตเรายังไม่เข้าถึงความเป็นกลางจริงให้เรารู้เท่าทันจิตของตนเองเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เช่นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขนี่ชั้นที่หนึ่งถ้ามีความสุขแล้วเกิดความยินดีพอใจในความสุขให้เรารู้ทันเข้าไปที่จิตอีกครั้งหนึ่งรู้เข้าไปลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์นี่เป็นชั้นที่หนึ่งเห็นเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นกับจิต พอมีความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตแล้วนะรู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งจิตไม่ชอบอย่าไปนั่งถามนะว่าชอบหรือไม่ชอบยินดีหรือยินร้ายไม่ต้องถามมันหรอกแต่ฟังหลวงพ่อพูดไปอย่างนี้แหละยวถึงเวลาจิตมันจะไปดูมันเองถ้าไม่พูดนําร่องให้นะจิตไม่ค่อยยอมดูเห็นแค่มีสุขเกิดขึ้นมีทุกข์เกิดขึ้นก็พอใจแค่นี้แหละ จิตยังไม่เป็นกลางจิตยังยินดีจิตยังยินร้ายไม่เห็นหรอกอาศัยการได้ฟังธรรมรู้ว่าต้องรู้ทานจิตอีกชั้นหนึ่งว่ามันยินดียินร้ายไหมอย่าไปถามมันนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะตอนนี้ยินดีหรือตอนนี้ยินร้ายตอนนั้นไม่ยินดีตอนนั้นไม่ยินร้ายตอนนั้นกำลังสงสัยอยู่นะไม่มียินดียินร้ายอะไรหรอกสงสัยเอาแค่ได้ยินแล้วว่า ต้องรู้ทันนะด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่การจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั้นไม่ได้เกิดจากการบังคับห้ามยินดีห้ามยินร้ายไม่ใช่เพียงแต่ว่าจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันเท่านี้เองถ้ารู้ทันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือความยินดียินร้ายจะดับไปความยินดียินร้ายมันเป็นราคะเป็นโทสะอยู่ พอไปรู้ทันความยินดียินร้ายตัวนี้กิเลสจะดับทันทีราค่าโทสะดับทันทีแค่สติรู้ทันว่ามีราคะมีความพอใจยินดีแค่สติรู้ทันว่ามีโทสะคือความยินร้ายไม่พอใจราค่าโทสะจะดับเองจิตจะเป็นกลางแต่นนี้ยังเป็นกลางเพราะสติ เป็นกลางพระสติไปรู้ทันความยินดียินร้ายยังไม่ใช่ความเป็นกลางที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเป็นแค่ทางผ่านขั้นแรกๆเท่านั้นเองยางพวกเราค่อยหัดไปเป็นลาดับนะเบื้องต้นมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันมีความทุ ก, กขก์เกิดขึ้นรู้ทันมีกุศลเกิดขึ้นรู้ทันมีอกุศลเกิดขึ้นรู้ทันเกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละมันเกิดขึ้นตอนไหน เกิดตอนที่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะก็มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นใจกระทบอารมณ์นั่งคิดไปคิดนึกปรุงแต่งไปก็เกิดความสุขความทุกข์นะกกกขึ้นได้เกิดกุศลอกุศลขึ้นได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นได้นี่ความมันมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลแล้วเนะี่ย ถ้าจิตดีให้รู้ทันถ้าจิตดนร้ายให้รู้ทันนะความยินดีร้ายจะดับไปพระอํอำนาจของสติความยินดีร้ายดับไปด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้นะเช่นเราเห็นผู้หญิงสวย ใ, ใจมันชอบนะเราก็ไปพิจารณาให้เป็นปฏิคูลเป็นอาสุพะพิจ า, ารณามรณะสติอะไรย่างเงี้ยนะีนะในะ้ใช้สมาธิใช้สมถะ ความยินดีในรูปของผู้หญิงนั้นก็หายไปแม้ตัวเป็นกลางเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายแบบนะเกิดพราะสติรู้ทันความยินดียินร้ายก็ได้เกิดเพระาะอาศัยสมาธินะพิจารณาอย่างเวลาโกรธเกิดขึ้นก็จเจริญเมตตาไปทำสิ่งตรงข้ามเป็นโกรธนะมันไม่เป็นมิตรก็มาเจริญเมตตาคือความเป็นมิตรคาว่าเมตตากับคำว่ามิตรนะั่นเดียวกันแหลนะ คำวา่าไมตรีเมตตามิต ร, ตรคำวา่าเมตรไตรพระสีอริยะเมตไตรไพอเราเจริญเมตตาไปโทสะก็หายใช่ไหมใจก็ค่อยเป็นกลางไม่ฟุ้งไปด้วยอํานาจโทสะนี่แก้กันเป็นคลาบคลาบไปนี้เป็นกลางเพราะสมาธิแต่ยังไม่ใช่วิธีการไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการนั้นคือเป็นกลางด้วยปัญญา เราฝึกจนเป็นกลางด้วยปัญญาตอนแรกเลยถ้ามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายดับไปก็โอเคแล้วใช้ได้รู้สภาวะต่อไปถ้าไปรู้สภาวะแล้วมันยังไม่หายยังยินดียินร้ายไม่หายทำความสงบทำสมถะมันก็หายเหมือนกันนะมีเครื่องมือหลายตัวแต่การที่เราคอยเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเนืองเนือง เห็นความสุขความทุกข kind of ์เ so กิดขึ้นหนึ่งๆเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นหนึ่งๆถึงจุดหนึ่งจิตจะเริ่มฉลาดจิตจะเริ่มเห็นความจริงวว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็เป็นของชั่วคราวอกุศลก็เป็นของชั่วคราวความยินดีก็เป็นของชั่วคราวความยินร้ายก็เป็นของชั่วคราวการที่จิต ได้เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับหนึ่งเนืองเช่นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลอกุศลเกิดแล้วดับความยินดียินร้ายเกิดแล้วดับเห็นเนืองเนืองในที่สุดจิตจะสรุปได้จิตจะเกิดปัญญาปิ้งขึ้นมาจิตมันรู้ขึ้นมานะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลนะความยินดียินร้ายทั้งหลายนี้เป็นแค่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย พอจิตมันรู้ความจริงอย่างนี้มันจะเกิดความเป็นกลางนะเป็งกลางพ้นจากความยินดียินร้ายด้วยปัญญาปัญญานะั้นะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะถ้าเราดูจิตดูใจเราก็จะเห็นในความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ค, ศลความยินดีความยินร้ายทั้งหลายเนี่ยเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับทั้งสิน้นแล้วบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เช่นสั่งให้มีความสุขสั่งไม่ได้ ความสุขจงเกิดนี่ความสุขไม่เกิดหรอกความสุขที่เกิดแล้วจงอยู่นี่รันดอนมันไม่อยู่หรอกความทุกขอยากเกิดมันก็จะเกิดความทุกข์ที่เกิดแล้วจงหายไปเร็วๆก็ไม่หายหรอกไม่เป็นแนามนา่นไม่อยู่แนามนั่นนี่เป็นอนัตตาการที่เราเห็นสภาวะเนืองๆนะว่ามันไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ้างเนี่ยจิตมันจะค่อยๆยอมรับความจริง เออมันเป็นของมันอย่างนี้แหละมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาาจิตมีปัญญาอย่างนี้จิตจะเป็นกลางเพราะปัญญาความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงระเริงเพราะจิตรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวกุศลน่ะกุศลเกิดขึ้นนะจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะรู้นะว่า ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยทั้งหมดนั้นเสมอกันสุขกับทุกข์ก็เสมอกันนะก <umba. S 1> ุศลกับอกุศลก็เสมอกันแต่เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เราอย่ามักง่ายนะอย่าบอกว่ากุศลกับอกุศล น, นั้นเท่าเทกันผลมันไม่เหมือนกันกุศลนั้นมีผลเป็นความสุขอกุศลมีผลเป็นความทุกข์เป็นความเผ็ดร้อ น, <S <S อนมันไม่เท่ากันหรอก แต่มันเท่ากันมันเสมอกันเฉพาะด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถามว่าแล้ว เ, เราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องไม่ทำอกุศลต้องเจริญกุศลใช่ไมเวชัยมักง่ายนะบอกว่ากุศลอกุศลมันเท่าเท่ากันนั่นทำอะไรก็ได้นั้นมิจฉาทิฏฐิแล้วทําอะไรก็ได้พระเจ้าไม่เคยสอนมีแต่บอกให้ละอกุศลให้เจริญกุศลให้ถึงพร้อม งั้นเวลาฟังธรรมะนะถ้าเรียนไม่รอบคอบจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกาศมิจฉาทิฏฐิออกไปเป่าวๆได้ด้วยนะอะไรๆเขาไม่ต้องทําเลยไม่ต้องยึดถืออะไรสัอย่างศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องมีอะไรนี่มันมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนัตถิกะทิฏฐิไม่มีอะไรเลยใช้ไม่ได้นะมันเสมอกันสุขทุกข์มันเสมอกั น, กก น, กนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ กุศลและอกุศลนั้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมายถือว่าเกิดระดับด้วยกันทั้งคู่เลยสั่งไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเมื่อจิตมันเห็นความจริงนะว่าสุขกับทุกข์ก็เท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์กุศลอกุศลก็เท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจะหมดการดิ้นรนนะจิตของเรามันดิ้นตลอดเพราะมันไม่เป็นกลาง ตอ่อสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาตตความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีจิตก็เกิดความดิ้นรนที่จะรักษาความสุขเอาไว้ความสุขหายไปจิตก็ยินร้ายจิตเกิดความดิ้นรนที่จะเที่ยวแสวงหาความสุขอีกความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ยินร้ายอยากจะขจัดเกิดความดิ้นรนอยากจะขจัดความทุกข์ไปความทุกข์หายไปแล้วนะ เกิดยินดีเกิดความดิ้นรนทำยังไงความทุกข์จะไม่เกิดอีกไความยินดียินร้ายนะทำให้จิตมันดิ้นรนขึ้นมาตรงที่จิตมันเกิดความดิ้นรนนั่นแหละจิตมันสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาความดิ้นรนของจิตก็คือกรรมที่เราพูดถึงคาว่ากรรมกรนะอะไรเรียกว่ากรรมก็คือการทางานของจิตนั่นเองจิตมันทางานไปนะ ถ้าเ่ไร่ยินดียินร้ายขึ้นมารู้ไม่ทันจิตจะทำกรรมเกิดการทำงานจงใจทำงานขึ้นมานะเช่นจงใจสแสวงหาความสุขจงใจหนีความทุกข์อะไรดิ้นจงใจรักษาความสุขไว้จงใจขจัดความทุกข์ที่มีอยู่ป้องกันความทุกข์ใหม่จิตจะดิ้นการที่จิตดิ้นรนนั้นไม่ว่าจะดิ้นในทางดีหรือทางเลวจิตก็ทุบ ทุกแน่นอนปรุงดีก็ทุกปรุงชั่วก็ทุกแต่ถ้าจะต้องปรุงปรุงดีไว้ก่อนก็นะปรุงชั่วจะมีผลเผ็ดร้อนนะยังไม่ใช่เสมอกันนะไม่เสมอเรากเท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์แต่ไม่เท่ากันด้วยเหตุด้วยผลของมันนะเฝ้ารู้ลงไปนะยันเราเฝ้ารู้ให้มากความสุขเกิดขึ้น ในจิตในใจรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจรู้ทันความยินดียินร้ายเกิดขึ้นในใจรู้ทันรู้มากๆในที่สุดมันจะเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สุขทุกข์ดีชั่วยินดียินร้ายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าจิตเห็นอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งนะจิตจะเป็นกลางและหมดความดิ้นรน จิตที่มีปัญญาปัญญาชนิดที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกขน์นี่มีชื่อไพเราะมากเลยชื่อสังขารูเบกขาญาณสังขารูเบกขาคือนะคนไทยมันใช้เป็นบอกใบไม้เป็นสังขารูเบกขาคำว่าอุเบกขาเป็นอุเบกขาต่อสังขารสังขารไม่ได้แปลว่าร่างกายนะสังขารในที่นี้แปลว่าความปรุงแต่ง อะไรเป็นความปรุงแต่งรูปนามขัน5เนี่ยเป็นความปรุงแต่งอายตนะ6กธาตุสิอินทรีย์22ปฏิจจสมุ ป, ปบาท12บเนี่ยเป็นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งหมดเลยฟังแล้วมีเยอะแต่จริงๆย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรม ท, ทั้งหลายที่เราสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรานั่นแหละให้คอยรู้ลงไปนะ จกรทั่งวันหนึ่งจิตเป็นกลางต่อรูปต่อน้ำเรียกว่ามีอุเบกขาต่อสังขารต่อความปรุงแตง่งสังขารอยู่ในคนละที่ก็ความหมายคนละแหง่งคนละแห่งก็ความหมายก็คนละอย่างกันนะค ว, ว่าสังขาร น, นะอยู่ในต่างที่กันก็แปลได้หลายอย่างถ้าพูดถึงขันค้าค ว, าว่าสังขารเนี่ยอันนี้เฉพาะความปรุงแต่งของใจ ปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วแค่นี้เองที่เรียกว่าสังขารถ้าพูดถึงสังขารอย่างในสังขารรูปเปกขายานเป็นกลางต่อสังขารสังขารตัวนี้กว้างกว่านั้นสังขารตัวนี้เป็นความสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาคือสังคตะทั้งหลายแต่ว่าตัวนี้เพ่งเด้งเฉพาะตัวรูปกระนาำนะสังคตะเลยขึ้นไปยังมีอีกส่วนที่เป็นมรรคเป็นผล สังคตามีอันเดียวก็คือพระนิพพานงั้นสังขารูปเปกขาเนี่ยอันนี้เพ่งเล็งเฉพาะขันห้ารูปหน่ำถ้าพูดถึงสังคตะธรรมนี่ก็รวมมรรคผลเข้าไปด้วยไม่รวมนิพพานถ้าพูดถึงสังขารในปฏิจจสมุปบาทอันนั้นคือตัวเจตนาคือตัวกรรมเรียกว่าปุญญาพิสังขารเจตนา ปรุงแต่งบุญอาุญญาพิสังขารอาเนรชาพิสังขารสังขารตัวนี้คือตัวเจตนาตัวกรรมยีมีสังขารนีกงานหนึ่ง<ม>กยายสังขารวาจีสังขารจิตตสังขารอันนี้อธิบายความปรุงแต่งสำหรับอธิบายเรื่องของนิโรธสมบัติอย่างเวลาจะเข้านิโรธสมบัติวจีสังขารคือวิตกวิจารณ์ดับไปก่อน กายสังขารคือลมหายใจอันดับตามอ่จิตสังขารคือสัญญาเวทและเวทนาดับนะที่หลัง mm hmm. เวลาฟังธรรมะต้องต้องศึกษาเหมือนกันเลยหนะลวงพ่อไปที่เชียงใหม่มีด็อกเตอร์คนหนึ่งงงมากเลยว่าทำไมหลวงพ่อพูดสังขารแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคนละอย่างส่วนสังขารรูปเปกขาเนี่ยจิต ท, ที่เป็นกลางกับสังขารต่อรูปน้ำนะเพียงเล็งมาที่รูปน้ำ เราเป็นกลางต่อกายเป็นกลางต่อจ like human ิตใจนี้หมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตก็หมดความปรุงแต่งหมดการสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ไม่ทากรรมพอจิตหมดความปรุงแต่งหมดความอยากหมดความปรุงแต่งจิตจะไปเห็นพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่ง ยิ่การที่เราแต่ละคนแต่ละคนนะจะมารู้พระโสดาบันมารู้พระสกิทาคามีนาคามีมารู้พระอรหันต์เนี่ยนะก็เดินอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันทั้งหมดเลยเราต้องมาเห็นความเป็นจริงของรูปของนามเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนจิตมันเป็นกลางจิตมันเป็นกลางแล้วถึงจะมีโอกาสเกิดอริยมรรคความเป็นกลางต่อสังขาร น, นี่แนะความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลถ้าเรายัางภาวนาไม่สามารถเข้ามาสู่ความเป็นกลางต่อรูปนำต่อความปรุงแตง่งได้ด้วยปัญญายังไกลกับมรรคผลอยู่อย่างถ้าเราเป็นกลางด้วยสติเป็นกลางด้วยสมาธิยังไกลต่อมรรคผลอยู่แต่ถ้าเราอบรมปัญญามากพอนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะ ตั้งมั่นได้เป็นกลางได้เป็นกลางด้วยสมาธิกลางด้วยสติด้วยสมาธิในส่วนจิตจะเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวเท่าๆกันหมดเลยตัวนี้จะเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อมันเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแตง่งหมดการสแสวงหาหมดกิริยาอาการทั้งหลายจิตชนิดนี้นะพร้อมที่จะสัมผัสกับพระนิพพานบางคน จิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธิแล้วผ่านกระบวนการแห่งอริยมรรคแต่บางคนมาถึงสังขารู้เปรขาแล้วจิตถอยออกมาอีกเสื่อมไปเลยก็ได้บางคนไปอยู่ตรงนี้นะเราปรารถนาพุทธภูมิก็ได้เป็นทางแยกไปพุทธภูมินะเพราะฉะนั้นจะเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เลจะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นสาวกธรรมดาก็ต้องฝึกจนกระทั่งได้สังขารูเปรขาญาณ ถ้าไม่มีสังขารุเปกขาเนพ่อโพธิสัตว์ก็อยู่ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอความทุกข์เขาก็ถอยนะไม่ไม่เป็นกลางกับความทุกข์เนพวอเราทุกคนนะรู้เป้าหมายของเราเราจะต้องพัฒนาจิตใจของตนเองจนวันหนึ่งมันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเช่นเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลอกุศลเป็นกลางต่อความยินดียิ น, ยนร้ายทั้งหลาย จะเป็นกลางได้นะอาศัยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางเป็นกลางตัวนี้กลางด้วยสติด้วยสมาธิไปก่อนแล้วสุดท้ายจะกลางด้วยปัญญาการที่เราได้เห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนผ่านหน้าเราไปตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน ความสุขมาแล้วก you ็เคลื belong, groom, ่อนผ่านไปความทุกมาแล้วก็เคลื่อนผ่านไปกูสนมาแล้วก็เคลื่อนไปอากูสนมาแล้วก็เคลื่อนไปความยินดียินร้ายมาแล้วก็เคลื่อนไปใจเป็นแค่คนดูเป็นคนวงนอกเดียตัวนี้สำคัญจิตต้องเป็นคนดูเป็นคนวงนอกเท่านั้นถ้าจิตเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์นามันจะไหลตามกันไปเหมือนเด็กเกาะแพในแม่น้าแล้วไหลตามน้าไปเราต้องอยู่บนบก เห็นแพไหลไปเห็นเรือไหลไปนะเราอยู่ตะหากไม่เกี่ยวเราต้องฝึกให้จิตใจถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้วิธีที่จะฝึกให้จิตถอยมาเป็นคนดูไม่ยากอะไรหรอกให้รู้ทันเวลาจิตลงไปคิดเว mm. ลาจิตเราหนีหนี้ไปคิดทั้งวันนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะจิมจะถอยออกมาเป็นผู้รู้เพราะผู้รู้กับผู้คิดนะั้นมันกลับข้างกันถ้าเป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่ผู้คิดถ้าเป็นผู้คิดก็ไม่ใช่ผู้รู้ ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันมีสตินี่แหละเป็นเครื่องมือมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะเปลี่ยนสภาพจากผู้คิดมาเป็นผู้รู้โดยอัตโนมัตินะพอจิตเป็นผู้รู้แล้วดูกายเขาทำงานมีสติรู้กายตามความเป็นจริงไปมีสติรู้จิตใจตามความเป็นจริงไปรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นรู้ได้จิตที่เป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่แหละถึงวันหนึ่งปัญญามค่อยแก่รอบขึ้นมจะเห็น ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสุขก็เป็นของชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลความยินดียินร้ายอะไรนี้ชั่วคราวหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้แจมแจ้งนะจิตที่จะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งถ้านะจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะรวมเข้า อ, อัปปนาสมาธนะิถ้าสติสมาธิปัญญาของเราพอศีล ส, สมาธิปัญญาแก่รอบเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วสมาธินั้นจะรวมนะ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายนะเข้ามาในจุดเดียวกันคือรวมลงที่จิตอันเดียวกันรวมลงในขณะจิตเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะจิตทีบ่บังเกิดอริยมรรคเนี่ยจะมีองค์ธรรมฝ่ายกุศลมาประชุมกันเต็มไปหมดเลยคือโพธิปักขียธรรมทั้งหลายนะีจะมารวมลงที่จิตดวงเดียวกันนั่นเองด้วยอํานาจของสมาธิด้วยอัปปนาสมาธิมันเป็นเองนะเพระ้นพวกเราจเจริญสติให้มาก เข้าฌานไม่เป็นไม่เป็นไรแต่วันที่สติสมาธิปัญญามันแก่รอบมันอัตโนมัติแล้วมันจะเข้าอัปปนาของมันเองเราไม่ได้เจตนาจะเข้าเลยนะเช่นเราเดินเดินอยู่เนี่ยเห็นรถชนคนกระเด็นเปรี้ยงไปนะสติปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยเห็นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดเราดับทั้งสิ้นมันรวมเข้ามาที่จิตเลยนะรถชนกันเปรี้ยงคนอื่นเข้าไปดูที่คนถูกรถชนจิตเรารวมเข้าอัปปนาเลย ไม่ได้เจตนารวมกลุ่มเองเลยนะแล้วอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นต้องฝึกนะฝึกไปื่อยสะสมไปื่อยทุกวันทุกวันต้องทำทุกวันปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลนก็ไม่ได้หรอกต้องสู้น ะ, ะไปทานข้าวไป